ตอนที่หนึ่งเจ็พ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของเจิ้งเซาเหงิงการสอบเกาข่าวจบลงได้ภายในวันเดียวในบ้านมีผู้เข้าสอบถึงสองคนเจ้าชุนหวาจึงไม่มีเวลาไปดูแลหลีชิงผิงและลูกนางต้องทุ่มเทเวลามาดูแลเจิ้งเซาเหิงและหลีหวานก่อนเป็นอันดับแรกพึงรู้ว่าการสอบเก่าข่าวนั้นสําคัญยิ่งยวดเด็กๆพากันพยายามมาหลายปีก็เพื่อจะสอบให้ได้คะแนนดีๆและเมื่อเทียบกับเจิ้งเซาเหิงที่ดูจะเคร่งเครียดจนเกินไปแล้วหลี่หวานกลับดูผ่อนคลายกว่ามากอย่างเห็นได้ชัด คืนก่อนวันสอบเวลาสี่ทุ่มเจ้งเศร้าเหิงยังคงไม่ยอมหลับนอนอยู่ในห้องหลี่วันเดิ ม, มาหาเขาก่อนจะไปนอนเมื่อเห็นว่าเขายังถือตำราทบทวนอยู่นางจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเตือนด้วยความหวังดีว่านอนเถอะพี่การมาเร่งอ่านเอาตอนสุดท้ายมันไม่ได้ผลหรอกเนื้อหาที่พี่ทบทวนอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าจะออกสอบคืนนี้ปรับสภาพจิตใจให้ดีพรุ่งนี้ถึงจะทำคะแนนออกมาได้ดีนะฉันมักจะรู้สึกว่าพอปิดหนังสือแล้วก็ลืมไปหมดเลย เจ้งเศร้าเหงิงขมวดคิ้วมุ่นเขารู้สึกเสมอว่าตัวเองยังเตรียมตัวไม่พร้อมแต่ก็ต้องเข้าสอบและในใจจึงเต็มไปด้วยความกระวนกระวายปกติพี่สอบได้คะแนนเท่าไหร่ตอนสอบเกาข่าวก็แค่แสดงฝีมือออกมาตามปกติก็พอหลี่หวันยื่นมือไปปิดตำราของเขาแล้วเอ่อยอย่างจริงจังสิ่งที่พี่ต้องทำตอนนี้คือเอนตัวลงนอนบนเตียงแล้วหลับซะไม่ได้ฉันยังมีจุดสำคัญอีก ส, อ, กสองจุดเที่ยงจำไม่ได้ขอฉันดูให้จบก่อนแล้วค่อยนอนเจ้งเศร้าเหิงหยิบหนังสืออีกเล่มขึ้นมาอ่านต่อ ท, นทอันทีหลี่หวันถอนหายใจออกมาอย่างจนใจ ตอนนี้ดึกมากแล้วพรุ่งนี้แปดโมงต้องถึงสนามสอบถ้าพี่นอนตอนนี้ก็ยังพอทันเวลาปกติพี่ก็นอนไม่ค่อยพออยู่แล้วนี่ก่อนสอบเพียงจะฝืนอดนอนอีกเหรอขณะที่พูดหลีหวานเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้นางจึงส่งยาเม็ดหนึ่งให้เจิง้งเซาเหิงนี่คือยาสงบจิตเหรอเจิง้งเซาเหิงเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจคราวก่อนหลีหวานไม่ได้บอกหรอกหรือว่ายาสงบจิตเหลือไม่มากแล้วตืมใช่ฉันตั้งใจเอามาให้พี่นั่นแหละ ลิวันนพยักษ์หน้าแววตาไหววูบเล็กน้อยรีบกินสิเจ้างเศร้าหิงคิดครู่หนึ่งก่อนจะในหน้าดื่มน้ำตามลงไปยาสงบจิตมีฤทธิ์ช่วยให้หลับลึกแต่มันจะไม่ทำให้หลับในทันทีรอให้เขาอ่านจุดสำคัญสองจุดนั้นจบฤทธิ์ยาก็คงจะเริ่มออกพอดีที่ขฝันดีนะอืมเจ้างเศร้าเหิงยื่นมือไปนวดหัวคิ้วพลางตอบรับอย่างใจลอยเมื่อหันไปมองอีกทีหลีวหวานก็กลับห้องไปนอนแล้ววันรุ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางเจิ้งเซาเหงิงยังไม่ยอมออกมาจากห้องเจ้าชุนฮวาจึงเคาะประตูเรียกเขาเสียงดังทันใดนั้นในห้องก็มีเสียงดังครมคลั่ตามมาด้วยเจิ้งเซาเหงิงที่วิ่งพลวดพลาดออกมาในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุย่ยคุณย่าครับสอบสายหรือเปล่าทําไมเจ็ดโมงแล้วทำไมย่าไม่เรียกผมให้เร็วกว่านี้ไม่สายเจ้าชุนฮวาเห็นเขาลนลานก็รีบปลอบว่าเวลายังพอดีอยู่ถ้าเจ้ายังไม่ตื่นนั่นแหละถึงจะสายรีบไปกินอาหารเช้าสกินเสร็จแล้วก็เก็บของไปโรงเรียนไปพร้อมกับเสี่ยหวานนะ ครับรู้แล้วเมื่อคืนเจ้างเศร้าเหิงจําได้เพียงว่าตนเองอ่านหนังสือไปได้ครึ่งเดียวก็รู้สึกง่วงมากหนังตาหนักอึ้งจนลืมไม่ขึ้นเขาจึงกลับไปนอนบนเตียงผลปรากฏว่าพอหลับตาลงเขาก็หลับสนิทรวดเดียวจนถึงเจ็ดโมงเช้าของอีกวันวินาทีที่เขาลืมตาขึ้นมาเห็นเวลาสมองของเขาก็ปั่นป่วนไปหมดโชคดีที่ยังไม่ไปสอบสายพี่คะอารุณสวัสดิ์หลีหวันยิ้มให้เขาดูท่าทางเมื่อคืนจะหลับสบายดีนะเมื่อคืนยาที่เธอให้ฉันกินไม่ใช่ยาสงบจิตใช่ไหม เจ้งเศร้าเหิงกัดสลาปลาคำหนึ่งยาสงบจิตที่เขาเคยกินปกติไม่มีผลลัพธ์ดีขนาดนี้ไม่ใช่ค่ำเมื่อคืนที่ให้พี่กินคือยานอนหลับแถมยังเป็นยานอนหลับที่ผ่านการสกัดให้บริสุทธิ์และเพิ่มปริมาณขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยประโยคหลังหลีหวานไม่ได้พูดออกมาข้อเท็จจริงที่สูดแล้วว่าฤทธิ์ยาดีมากจริงๆรนางเพียงแค่เห็นว่าเจ้างเศร้าเหิงเครียดเกินไปสภาพแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อคะแนนสอบในวันนี้ได้ง่ายนางจึงผสมยาคลายความมิตกกังวลลงไปในยานอนหลับเมื่อคืนด้วย วันหลังห้ามเอายาให้ฉันกินสุ่มสี่สุ่มห้าอีกนะเจิงเซาเหิรพูดจบก็รู้สึกว่าคำพูดของตนรุนแรงไปเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายความว่าเธอต้องบอกฉันล่วงหน้าก่อนถ้าฉันบอกพี่ล่วงหน้าพี่จะยอมกินหรือคะไม่ยอมแน่ถ้าเจิ้งเซาเหิรรู้ว่ามันจะมีผลแรงขนาดนี้เขาไม่มีทางกินเด็ดขาดอย่างน้อยก็ต้องรอให้อ่านหนังสือจบก่อนถึงจะกิน สิ่งที่พี่ต้องทำตอนนี้คือทำใจให้สบายความรู้ที่ควรเรียนก็ได้เรียนไปหมดแล้วพี่แค่แสดงความสามารถออกมาตามปกติก็พอฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเจ้งเศร้าเหิงมองนางด้วยแววตาจริงจังก่อนจะพยักหน้าอื่เธอก็เหมือนกันตั้งใจสอบนะหลีหวานทั้งสองคนไม่ได้อยู่สนามสอบเดียวกันช่วงเช้าหลังจากสอบเสร็จก็กินข้าวที่โรงอาหารของโรงเรียนและสอบต่อในช่วงบ่าย เวลาห้าโมงเย็นก็ถึงเวลาส่งกระดาษข้อสอบซึ่งนั่นหมายความว่าชีวิตมัธยมปลายได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์วินาทีที่เจิงเซาเหิงเดินออกจากสนามสอบเขาถึงได้รู้สึกว่าทั้งร่างกายและจิตใจผ่อนคลายอย่างถึงที่สุดตอนนี้ไม่ว่าคะแนนสอบจะออกมาเป็นอย่างไรทุกอย่างก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วและไม่สามารถเปลี่นแปลงอะไรได้อีกพี่ใหญ่หลีหวันยื่นมือไปกวักเรียกเขาเจิงเซาเหิงเดินเข้าไปหาไปกันเถอะ ที่รู้สึกว่าข้อสอบกับข่าวครั้งนี้เป็นยังไงบ้างยากไหมหลีหวานถามขึ้นลอยๆยก็พอได้เจ้งเศร้าเหงื่รู้สึกว่าเนื้อหาคล้ายกับที่สอบปกติสิ่งที่ต้องทดสอบมากกว่าคือความละเอียดรอบคอบจะมีก็เพียงโจทย์ใหญ่ไม่กี่ข้อสุดท้ายที่อาจจะยากหน่อยก็พอได้หรือดูท่าทางครั้งนี้พี่จะทําคะแนนได้ไม่เลวเลยนะหลีหวานยิ้มและพี่คิดหรือยังว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย เจ้งเศราเหิงเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้แววตามหมดลงเล็กน้อยเราให้คะแนนสอบออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะตกลงข้าสอบเสร็จครั้งนี้กลับบ้านไปต้องพักผ่อนให้เต็มที่สักสองสามวันอืมทั้งสองคนพูดคุยยิ้มแย้มพางเดินกลับบ้านทันทีที่หลีหวานและเจ้างเศร้าเหิงก้าวเข้าประตูบ้านไปพวกเขาก็สัมผัสได้ชัดเจนว่าบรรยากาศภายในบ้านดูไม่ปกติมันตึงเครียดจนเกินไปหลีหวานสังเกตเห็นว่าสายตาของคนเหล่านั้นไม่ได้จับจ้องมาที่นางแต่กลับจ้องไปที่เจ้างเศร้าเหิง ลหว่านจึงมองตามไปที่เขาโดยสัญชาตญาณสอบกลับมาแล้วเหรอเจ้าชุนฮาววเอ๋ยขึ้นเป็นคนแรกนางฝืนยิ้มออกมาอย่างยากลําบากกลับมาแล้วก็เข้าห้องไปก่อนเถอะยินนี้ย่าไม่ทํากับข้าวนะเส้าเหิงเจ้าพาน้องๆไปกินที่โรงอาหารไปเจิ้งเส้าเหิงตอบเสียงเข้มครับรู้แล้วเดี๋ยวก่อนใบหน้าแปลกหน้าสามหน้าที่ปรากฏอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้านตระกูลเจิ้งหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนจู่ๆก็ร้องเรียกเจิ้งเส้าเหิงไว้ ผู้หญิงคนนั้นแต่งกายราวกับคุณนายผู้สูงศักตั้งแต่หัวจรโตเท้าล้วนแสดงออกถึงคําว่ารวยอย่างชัดเจนอีกสองคนที่เหลือการแต่งกายก็ดูดีไม่แพ้กันไม่รวยก็ต้องเป็นผู้มีอํานาจหญิงผู้สูงสักมองเจิ้งเศร้าเหงิงด้วยขอบตาที่แดงกับนางอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเศร้าเหงิงโตขนาดนี้แล้วเหรือเหมือนเหมือนกันจริงๆยังโมยืนบื้ออยู่ทําไมรีพาน้องน้องไปกินข้าวอย่าปล่อยให้พวกเขาหิว เจ้าชุนฮวาโบกมือเร่งให้พวกเขาออกไปอีกครั้งราวกับต้องการจะปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้ที่สาวฉันขอบคุณพี่นะที่ช่วยเลี้ยงดูลูกของฉันมาหลายปีขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรเขาก็คือลูกชายของฉันฉันตามหาเขามาสิบกว่าปีกว่าจะหาเจอไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งนี้ที่ฉันมาก็เพื่อจะรับเขากลับไปเพื่อฟูมฟักความสัมพันธ์ของเราให้ดีเดิมเดิม พอได้แล้วฉันไม่สามารถยอมรับฐานะของพวกคุณได้เพียงเพราะคำพูดลอยๆแค่สองสาประโยคหรอกนะเด็กคนนี้บ้านตระกูลเจิ้งเล้งดูมาสิบกว่าปีย่อมมีความผูกพันกับคนในครอบครัวเราถ้าพวกคุณอยากจะพาเขาไปจริงๆก็ต้องถามความสมัครใจของเด็กด้วยยิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่รู้เลยว่าพวกคุณเป็นใครแล้วจะวางใจให้พวกคุณพาลูกหลานฉันไปได้อย่างไร